คนพูดถ้าทั้งหลายเป็นผู้ฟังแล้วเอาไปทําดูไปฟังแล้วจำนะไม่ใช่พูดเพื่อให้ไปจําเอาเอาไปทําเอาเอาไปสัมผัสเอาเพราะว่าสิ่งที่พูดพูดเรื่องธรรมะไม่ใช่เล่าในทานเล่าในยายเรื่องของธรรมะก็คือเรื่องของชีวิตเราชีวิตเราก็มีสองส่วนคือกายกับใจ กายกับใจนี่มันมีปัญหาแต่เราไม่รู้จากมันถ้าเรารู้จากมันก็เป็นปัญญาเป็นมากเป็นหนุนเป็นนิพานมันได้สวรรค์นิาพานเพราะกายกับใจมันเป็นสัตว์นโลกเดชาัชย์ลึกกายเป็นเตจพ่อกายกับใจมันมีมุนมีบาเพราะกายกับใจเราจึงต้องศึกษาหานะคำตอบหานะคำเฉลยให้ได้ จะยจนมันมีช่องทางบอกผิดบอกถูกอยู่การผิดกันถูกไม่ใช่คนอดืดบอกกายมันบอกใจมันบอกถ้าเราไม่สนใจก็ไม่รู้เฉยเฉยกับราการที่มันบอกเหมือนเป่าปีใส่หูคววยไม่ได้ยินได้เห็นหรือข้าหัวซ้ายออกหัวขวาเราก็จะคอยร้องไห้หัวเลาะ ผลงานของเหตุปัจจัยแล้วรับใช่ตรงนั้นเราต้องมาศึกษาดูเ่อวันก่อนได้พูดเรื่องการปฏิบัติเบื้องต้นคือการเจริญสติดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมที่เป็ น, นต้น่อที่มันจะหลงก็หลงตรงนี้มันจะลู่ก็ลูกตรงนี้ก็เหมือนกับไขกุญแจเจ้าโซ่ ได้ก็เชื่อตรงนี้ไม่จริงจะไปไกลถ้าไม่เชื่อตรงนี้ก็เวียนว่าใจเกิดอยู่กับหลักอยู่อย่างนี้เราจึงมาดูมามีสติมาสร้างสติให้รู้กายเป็นกรรมฐานกรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งเอาไว้จะให้ไปอยู่ที่อื่นสติมันมีแต่เราเช่ไ้ไปถูกที่ เป็นสติธรรมดาไม่ใช่เป็นสติปฐานสติธรรมดาอะไรก็มีสติเหมือนกันเช้งกวางนกหนูสัตว์เดือดฉานก็มีสติเหมือนกัน น, นนั้นเป็นสติธรรมชาติธรรมชาติยานของสัตว์สติปฐานคือออกไปดูมาดูกายดูทำไมเ็าหลักก็อยู่ตรงนี้เห็นกายกายเป็นสภาวะเราหลงอะไรบ้าง ถ้าหลงกายก็เป็นตัวเป็นตนในกายไหลพบหลายชาติเหลือเกินเป็นพบเป็นชาติอยู่กับกายเอากายเป็นพบเป็นชาติเอากายเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็ทุกข์เป็นความโลภของโกรกของหลงเป็นไปไกลเหลือเกินเขินเกิดชลามระโสกไกเทวทุกข์เป็นพบเป็นชาติเกิดดับเกิดดับเกิดข้างเดียวได้มหาปูต์รูปในรูปได้กายเกิดมาข้างเดียวแต่เมันเกิดซ่อนอยู่ตรง panda, reading, น bridge, ี้อ <achieving Brooke. S 1> ีก ที่ว่านามวาลูกมันเกิดอยู่ที่กายเป็นภพภพที่เกิดอยู่ที่กายนี้ก็เรียกว่าสีขันมีขันสี่ขันมีขันหน้าขันดังที่เราตรวจน้ําตอนเย็นเมื่อที่นี้มีขันขันเดียวกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ขันสี่ขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดอยู่ที่มหาภูติลูกก็เป็นภพเป็นชาติได้ ชาติภพที่เกิดจากเป็นเวทนาสัญญาสังขารมียานเขาก็มีสี่ขันนี้เป็นเปรตเป็นสือกายสัตวนรกเดือดฉานก็มีสี่ขันเป็นเทวดาก็มีสี่ขันเป็นพระอินพระพรมก็มีสี่ขันส่วนมรรคผลนิพพานไม่เกิดอยู่ตรงนี้ดับไปแล้วปิดประตูนรกปิดประตูอาวายภูมิเลยแล้วจะไม่จําเป็นต้องเกิด มันก็ไปสุดทางถ้าไม่ศึกษาตรงนี้ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้เหมือนหัวคอยผูกติดกับหลักก็อยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ไก็เลยพูดว่าเวทนาก็ดีมันมีตัวเวทนาในเวทนาในเวทนาเวทนาธรรมชาติมันก็เป็นสัญญาณไปมันดีมันมีประโยชน์ แตเวทนาที่เปรเกิดความยึดมั่นถือมั่นมีตนอยู่ในเวทนานั้นที่มันเป็นพวกเป็นชาติตนหนึง่งเราก็เกิดเช่นนี้ทุ่งเทกับเวทนาไปซื่อไปหามาไปป้นไปยี่ไปข่มขืนเราไปพอจอยเอาไปขัดไปแย่งกันเกิดสมมุติบรรยศจิญญตมั่นถือมั่นตั้งแตง่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยเวทนาสักไว้เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เพิสูตรก็แสดงเอาไว้แล้วเราไม่เนื้อหูฟังเราไม่ได้ดูไม่ได้เห็นมีแต่ เ, เข้าไปเป็นกับมานเป็นจิตก็ดีจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตประกอบเป็นคู่กับวารลมคู่กับจิตจิตเป็นผู้ที่รับจิตถึงก่อนจิตไปก่อนสําเร็จอยู่ที่จิตอย่างที่เราสวดน่ะมโนุูยังกมาตมามนุษย์จัตมาโยมายา ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเห็นหัวหน้าสำเร็จแล้วที่ใจแปลว่าหนังสือธรรมวัดนเนี่ยแปลว่ามีใจไปเจอจุดแต่ต้นตำรา จ, จริงๆไม่ใช่แปลอย่างนี้ในหลักภาษิตในตำราที่ร้อยกองมาอันนี้ผู้แปลตังสือธรรวัดก็ก็แปลมาใหม่ก็เลยมีคนดำเนินอยู่เราก็ไม่รู้ตำราแต่ว่ามาอย่างไรก็อย่างนั้นแต่ไม่ได้แก้ได้ไขอ้าวได้ทั้งนั้นละ่ะ ฟังขมาธรรมาทวนมันมโนเสถ่ามรวมญาเนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหนา้าสําเร็จแล้วได้ที่ใจเคยได้เล่าเรียนมาในารักทั้งตีโทรเอกก็จบทั้งทําเหมือนกันหลนตาตอนแล้วก็เนี่ยมันมาถึงใจใจเป็นคู่กับอารมณ์ใจมันเกิดเจงถึงก่อนมาก่อน รับโล ก, ก่อนองรับทุกอย่างเป็นทุกอย่างสถานะสับสอนโสเภณีจิตโสเภณีโสเพณีจิตอะไรก็เอาหมดความกด ก, ก, ก็เอาความโลภก็เอาความหลงก็เอาความละ ก, ก็เอาความจังก็เอาอยู่ในจิตดวงเดียวแต่ว่ามันแสดงออกในฉากต่างๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเดียวแต่ว่าเรามองเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในน้ําเวลาน้ํามีขึ้นดวงอาทิตย์ก็เป็นหลายดวงไป แต่ยิ่งมีโรงเดียวที่มันเป็นหลายอันเพราะมีคืดคืนของจิตคืออนลมแต่สดงออกต่าง ๆ, ห, ออๆหัวร้อนร้องไห้แล้วก็เกิดอย่างนี้ความรักกลายเป็นความชังด่าหนังสือเพียมแล้มีปัญญารักกันแต่งานกันจะไม่ลูกสองคนพอเกิดชังกันก็ด่ากันตีกันเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนแล้ปัญญาก็ทนไม่ได้งอบลูกหนีแล้วมีก็าตามแปวขึ้นมาปัญญาก็ไม่ยองขึ้น เอาอมีแทงปัญญาตายแทงปัญญ า, า, าตายแล้วมาแทงตัวองตายทิียงโลกกำพ้าสองคนฟ้าแผลอายุแปขวบความรักกลายเป็นความศัตรูโอ้ขวาริตายกันได้เพราะนั่นนี้ไปเป็นสังขารล้วก็ยอมใช้สังขารรับใช้สังขารเป็นชีค่าสังขารเวลามันโกดก็ทำชั่วได้เวลามันไม่โกดก็ปกติ แต่ชีวิตจิตใจที่นี้มันก็ไม่มีความโกรธตลอดเวลาไม่เป็นจรมาเป็นข้างเป็นขาวดังที่พูดวันนั้นจิตของเราววันสาลาหลังนี้อารมณ์ห้่นอาการทุกข์ที่จรมาอาการทุกข์ที่จรมาถ้ามาดีอย่างพวกเราพระเนนญาโยมเป็นคนดีมาอยู่ที่นี่ก็ใช่ที่นี่เป็นประโยชน์สาตีพระกอเจตเอ เว ล, ลาก็เจตีสะอาดดีนอกจากเราไม้มาอยู่อะไรมาอยูอ่มันก็ทำให้ผิดเพี้ยนไปเวลาหลังนี้จิตใจเราก็เหมือนกันเรามันรับอะไรทุกอย่างเกินไปหัดรับรวมรูสึงตัวหลองเข้าไปดูเป็นเจ้าของแต่ก่อนนี้กายใจไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของสาธารณะ บางทีความหลงเป็นเจ้าของนานเหลือเกินความโกรธเป็นเจ้าของข้าวันข้ามคืนความทุกข์เป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนความรักความจังเป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ใช่ในทางที่ผิดาพาดช้ำรวมไปจนเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้เพราะาลมร่อยกูเสือทํำลายคนมามากแล้วเราจะมาดูเห็นจิตในจิตจิตก็เป็นจิตล้วนๆรับรู้ แต่ว่าในาจิตนั้นมีอารมณ์มาย้อมเราเนึกว่าเราความโกรธเนึนว่าเราโกรธไม่ใช่มันในจิตที่มันมาเพื่อนเฉยๆเหมือนผ้าเรามาสอาดแต่เดิมแต่เสียงสกโปกบันจรมามาเปิดมาเพื่อนเข้าเพราะเราใช่ไม่ถูกเราโรกลงเรินเกินไปก็เปิดเพื่อนเหมือนเรามีมีดใช้มีดไม่ถูกประเภทก็ผิดประเภทก็เสียหาย การใช่ใจเนี่ยมันก็ต้องใช่ให้เป็นเรียกว่าประคัเมื่อดูแลการใจของเราให้มันคุ้มอย่าปล่อยปะละเลยปฏิบัติธรรมคือมาดูแลนี่เลยถ้ามันอยู่ในล่องในรอยดูเหมือนเราดูแลคนป่วยดูแลโูกอดดูแลสิ่งของดูแลต้นว่าที่ปลูกไว้ ถ้ามันเหี่ยวมันขาดน้ำก็น้ําไปรดมันมล้วก็เจริญเติบโตได้ออกดอกออกผลใใร่ากายใจเรานี้เราดูดูแลดีๆแล้วก็เป็นดอกเป็นผลเร่ามักผลนิพพานศาสนาเนี่ต้องมีมักผลนิพพานเป็นที่สุดถ้าพุทธศาสนาไม่มักผลนิพพานไม่ต้องมาศึกษาไม่ต้องมามีศรัทธาสร้วัฏสงไวเสียทรัพย์เสีจงนทอง เพราะมีมรรคปณิพานเราจึงมาสร้างมรรคศรัทธาสร้างแล้วก็เป็นแหล่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาใช่เป็นการศึกษามาใช่เป็นแสงแหล่งเรียนรู้ช่วยกันรักษาอาไว้เพื่อได้ใช่เป็นนานไปใช้สร้างแล้วเพื่อทําพิธีดีตองไปเฉยๆไม่เป็นมากเป็นผลมาใช่เพื่อเป็นการปฏิบัติใช่เจอาชนะเพื่อบําเพ็ญภาวนาไม่ใช่เพื่อโอวด แตใช่เพื่อมองเห็นภาวนานี่ก็ให้มันหลุดออกไปจากการจากเวลาจากกิจจากธรรมพอชีวิตของเรานะ่ามันก็ฟรีเกิเกดเจ็บจบตายฟรีๆแ้งที่มีประโยชน์ชีวิตเราก็เกี่ยวข้องกับการเกิเดเจ็บเจบตายการเกิดเจ อ, อตายไม่ใช่มอบให้คุณหมออันนั้นเป็นอันที่สองอันที่หนึ่งต้องมองให้เราเป็นเจ้าของดูเลยมันเกิดยังไง ทำไงจึงจะไม่เกิดเราทำเกี่ยวข้องกับการเกิดที่มันเกิดเป็นนามาลูกด้ต่าเราทำหนางานมันเกิดมากเลยเกิดเกิดดับเกิดดับจะนับไปท่วนสติเนี่ยเป็นตัวควบควมเหนือของการเกิดนามาลูกมีแต่ใช้มันเนื่องมันเกิดท่านามาลูกมันก็มีเจ็บแล้วก็มีเจ็บทั้งก็มีตายเป็นพวกเป็นชาติไป เึ้นความรักก็จจเป็นห ก, ก, กน็ตายเป็นความกลัวก็เจเป็นตายเป็นความทุกข์ก็เจเป็นตายเป็นเราเวียนไหวตรงนี้ให้ตรงนี้รับใช่ลงโทษเรเรารับใช้แล้วก็เลยลงโทษเราเพราะเราจึงดูเหมือนพระเจ้าสอนพวกเราเมื่อพระเจ้าพระองค์ได้ตัดชลูกครั้งแรกพระองค์ได้ออกจากโพษฐ์ไม่มีใครม า, าอาละราดนาให้แสดงธรรม ผมก็ยังไม่มาลาตลายการแสดงธรรมพระองค์ก็เอาพโอษออกมาออกอุทานออกมาว่าแต่ก่อนนี้เราไม่มียานอย่างรู้จิตของเราดเดินทาท่องเที่ยวไปในสงสารเป็ น, นกชาตินําไม่ท้วนการเกิดตามพบตั้งชาติต่างๆเป็นทุกทุๆคราวเพื่ปิดใจไปทุกล้อมไปวันนี้เรารู้จกากเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะทำอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปองเรือนทั้งหมดของเจ้ารากเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลือเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปคือมันถึงมรรคผลให้ผ่านไม่มีอะไรปรงแต่งได้แต่ก่อนนี่ยมันรับใช้การปรงแต่งออกมาจากประวัตที่ว่าปฐมมาพาจิตเป็นครั้งแรกแล้วก็นามาสวดกัน แต่เราไม่ถึงไม่ว่าถึงคือพระนิพานมีแต่ว่ามันชินไปแห่งตันหนาะจบแค่นี้ที่สุดมันคือเพื่อนิพานหลงตัวนั่นเนาะแต่ผู้เขี่นหนังสีอธรรมวจนก็ตัดออกวัวนิพานหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัดต่อกซะที่เยิงมันถึงนิพานนะจดท้ายพระชิตก็เนี่ยพุทธพระชิตปฐมพาะชิตนะ เราจึงมาดูการเกิดเจริญตายการเกิดแบบหนึ่งก็ควรหมอดูเลพยาบานดูแลทำคลอดอันการเกิดจา ก, กจิตใจของเราเนี่ยเทวังเกิดเป็นภพเป็นชาติเนี่ยเราต้องดูแลคนหมอเคือเราไม่ได้อย่างเกิดก็เกิดในภพภูมิที่ดีจากน้อยปิดบ่ายพรมได้เป็นเทวดาเป็นพระพรมเป็นพปายินเป็นพระ เวลาเราปฏิบัติขลงโกเทียนสมัยสา4สิบเสิบปีพอเรามารูปเรื่องนี้เขา ร, รูปทำนามทรรูปบุญรูปบาปรูปศาสนารูปพุทธศาสนารูปปรมัติร์รูปวัตถวการต่างอยู่ในการในใจเป็นมลงไปเหมือนกับว่าได้กระแสในทิศทางเห็นทางไปไม่ใช่เห็นด้วยตา พอเห็นรูปเห็นนามเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมมันก็เห็นเป็นรูปเป็นนามปัจจัยการมันเป็นธรรมชาติมันบอกเหล่ารูปมันบอกนามมันบอกแล้วก็เอารูปันามในทําความดีแล้วความชั่วได้เด็ดขาดพระเทียนถามว่าเป็นเทวดาได้ไหมเป็นได้ครับปิดอวัยภพมได้ไหมปิดได้ครับเป็นพระได้ไหมเป็นได้ตอนนั้นนะ มันเป็นทางวัดปฏิบัติทางชีวิตจิตใจของเรามันต่างเก่ามาล่วงพ้นภาวะเดิมนี่ก็ปิดอบายผมได้ผู้มีสติสมบูรณ์เนี่ยปิดอบายผมได้แต่ก่อนเรากลัวนรกเพราะเราไม่รู้วันนี้เราเห็นแท้ๆเห็นกับตาจะให้มันอยู่กับเราทำไมเมื่อเราเห็นงูพิษเราจะไปให้งูมันกัดเราย่งไเพราะเราเห็น เหตุกับตาแท้ๆเห็นกับกางกระทำมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราแล้วก็ป้องกันได้เป็นผ้าได้ไหมเป็นได้ผ้าคือมันใจมันดีกว่าเก่ามันรู้กว่าเก่ามันไม่งูแจ้าก่อนมันงูไม่รู้อะไรปวดก็เอาแล้วก็เอาชังก็เอาทุกข์ก็เอาสุขก็เอาสารพัดอย่างวันนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นมันเรื่องเฉพาะน้อยๆผับเหมือนกับคนพับผ้าใส่กระเป๋าถือ กระเป๋าแมงใหญ่อยูอย่พับใส่กระเป๋ากางเกงไปไหนอยู่กับเราเห็นบุญเห็นบาตรูปศาสนารูปพุทธศาสนาการเกิดเจริญตายแทนที่จะเป็นทุกข์มันก็เป็นปัญญาได้การทัดภาคแก่ยวกังเกของแฉกใจก็เป็นทุกข์ปาจจัยจิงใดไม่ได้ไปจิตนั้นก็เป็นทุกข์เพามไม่สบายกายก็มไม่สบายใจกพราะว่าเพี้ยนใจก็เทุกข์แบบ น, นี้เราถูกความทุกข์อย่างหมดแล้ว มีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วต้อจะนหนการทำที่สุดแต่งกองทุกข์นี้จะปรากฏชัดเจนเราอุทิศอรหันตังสมาจะประ ส, สงค์อุทิศทำตามพระพุทธเจ้ามันมีทางไปอยู่ไม่จนไม่ต้องจนพวกเรานะพุทธศาสาในมวกเป็นทางอันเด็กเลยท่าทายเอกอมโควิสุธิยาเป็นสถาบันของชีวิตเรา สกโตเขียนไว้หน้าว่าเลยสถาบันชติปฐะที่สถาบันคืออะไรไม่ใช่อาคารขนาดหนึ่งขนงดสองสถาบันคือชีวิตของเรามันสมบูรณ์แล้วเป็นสถาบันที่พระความช่วยได้ทำความดีได้นะ่อุทิศมาทำตามเราดูมาศึกษาเราดูให้มันพบให้มันเห็นเขาการเกิดการแจกการเจ็บกา ร, การตายนะมันเป็นเรื่อง ทำให้เกิดมรรคเกิดผลเพราะว่านะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเศร้าโศ่ก็พูดแต่เขาฟังก็เลยชวนมาปฏิบัติก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นเพราะนั่นความทุกข์เน่ยมันมีอารมณ์กันหรือว่าอารมณ์มันก็นอนเนืองในจิตใจเราเรื่องเก่าไม่คิดแล้วคิดอีกย่ำคิดเรื่องเดิมย่ำคิดเรื่องเดิมก็ปเป็นกรรมอยู่นั้นหัดปล่อยหัดวาง ไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็หมือนกันในโลกนี้อันต้องพ้ภาคจากของรักของเจบใจทางนั้นเพราะสามีปคนดีจึงคิดถึงไม่ต้องคิดถึงสามีคนดีเขาก็ไปสู่ภพดีไม่ต้องห่วงเขาอย่างหลวงตาเคยไปสอนอาจารย์ในราชพัตร์ังเลยพ่อเสียชีวิตเขาก็เสียใจทำใจไม่ได้เล่าให้เพราะว่าพ่อผมเป็นคนดีพ่อผมเป็นคนดี ผมขาดอะไรสักอย่างยากทาใจไม่ได้ก็บอกว่าโอ้ยพ่อเราเป็นคนดีพ่อเราเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่ขาดตูกพ่องพ่อได้ทำหน้าที่จนอาจารย์ได้เป็นอาจารย์สอนราชพัฒไม่บกพ่องเลยไม่ต้องห่วงท่านสบายแล้วท่านก็ไปดีเพราะท่านทำดีแล้วไปห่วงท่านทำไมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทางเส้นทางคิดใหม่อย่าไปคิดแบบ ความดีของพ่อออกมาเป็นทุกความดีของพ่อแทนที่อู้เราดีพ่อของเราเป็นคนดีพ่อเราตายไปเราละคนหนึ่งจะต้องเป็นคนดีเหมือนพ่อเรามั่นคงกว่าเก่าอย่างนี้จึงจะถูกต้องนะเขาก็เปลี่ยนใจได้่าสามีเป็นคนดีเป็นทุกไม่ใช่เขาไปดีแล้วอาจจะดีกว่าหนูด้วยนะหนูยังร้องไห้อยังเลี่ยงลูกอยู่แต่ว่าดีหน่อยหนึ่งคือเป็นพยาบานไม่ลมาําบากไปกวนอะไร ไม่มีห ม, มูมีเพื่อนผมไม่มีพี่น้องหลวงตาขอเป็นญาติคนหนึ่งมาเถอะมาที่นี่มาบ้านเรามแต่ญาติกันงานปฏิบัติธรรมใครก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นล่ะหลวงตาก็เป็นลูกกำพร้าแล้วไม่มีพ่อไม่ไมีแ ม, ม่ตายกันหมดแล้วแต่ว่าในจิตใจมันไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเราเคยทุกข์ประการเคยเจ็บเจ็บตายเรื่องนี้ต้องมารู้จักชัดเจนเอาเรื่องนี้ไปเป็นปัญญาจากที่ พาคนหมอปราสารไปฉวดอยู่ที่โรงพยาบ า, เาลเชียงกุ่มนาทีท้องก่อนใจขาดเราพ่อสวดไปสวดเคนหมอก็ว่าไปช่วยคนใกล้จะตายได้ผลดีไปสวดพะสูตรต่างๆจะเป็นสังขาราอริจาติยาธ า, าปัญญาเจรปจติอย่างที่สวดได้ฟังเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญ า, าสังขารไม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมในืหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน เอาควาไม่เที่ยงไปผ่านในพานเอาควาเป็นทุกข์เป็นผ่านใพานไปงมไปประดับมันทําไมเอามาเป็นมรรคผลในพานเหมือนต้นไม้ได้ปุ๋ยความเกิดแจ็เจ็บตายมันเป็นปุ๋ยให้เกิดมาเกิดผลได้ไม่ใช่มาลงโทษเราเห็นทุกข์ไปจึงไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริสัจสีเห็นทุกข์เข้งของประเสริฐวันเราเห็นงูพิษโอ้ทูถ้าเราไม่เห็นมันมันจะทําลายเรา คนที่เห็นทุกเนี่ยมันประเสชิญที่ชุดก็จะเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรต่างๆเห็นความเกิดแเจริตายมันมีมันมีอยู่ทุกคนอ่ะจะไปกลัวมันทำไมเอามาเป็นมรรคเป็นผลนี่คือปฏิบัติธรรมคือศึกษาธรรมถ้าหลงย่อยให้มันเหลือศูนย์เกิดเจริตายไม่มีหรอกมันมีเขาเป็นของรูปเป็นธรรมชาติรูปนี่ไม่มีใครป้องกันได้ วันเราสวดบัจจินี่ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่ไปใครเป็นป้องกันได้ความเจราแจะเท่านําเข้ามายั่งยืนย่อมรัดทิงในสิ่งนั่งพวงนี่คือรูปลู่จากบรรซาไม่ใช่ไปถนอมจนค่อยเจ็บค่อยปวดอกหักเสียใจเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เลยเราใช้มันทีเราใช้มันสําเร็จประโยชน์เป็นมากเป็นผลขึ้นมาพวกเราโฉกโตจะพากันศึกษากันเรนี้กัน เร่องศึกษาเรืงอนไปด้วยเอาจิตตรฒิหน้าที่ของเพื่อนภิกษุญาติโยมกนอื่นช่วยกันไปบอกกันสอนกันอย่ามาอยู่เฉยๆเป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้รู้ตัวเองนี่แหละเราไม่ใช่จบปัญญาเมตไชยถ้าปัญญาคือยาตะปัญญากําหนดรู้ตัวเองอย่างรอบครอบเรียว่ายาตะปัญาาปญาตีลคณะปัญญาแจกแกงออกไม่ให้เป็นดุนเหมือนคน้อนเห็นรูปปวงเป็นตัวรูปเป็า ไม่ใช่จัดบุคคลตน ต, ตนเราเขแกออกไปหทนจิตก็จะว่าจิตไม่ใช่จัดบุคคลตน ต, ตนเราเขาไม่เหลืออะไรเหลือศูนย์เรียกว่าติลขณะปริญญาแจ ก, กออกไม่เป็นดุนเป็นก้อนไม่ให้มันถูกเราต้องเกิดเจ็บ ป, ปวดไปหาหน้าปริญญาทําให้หมดไปย่าให้มันอยู่ขา้างหน้าเราหมดไปมันหมดไปพอมันหลงกูลูกเกิดขึ้นความหลงก็หมดไปหมดไปแล้ว ความทุกข์เกิดขึ้นความลูกเกิดขึ้นความทุกข์ก็หมดไปแล้วเรียกว่าปะหาหนาปริญญาคือทำลายสิ่งที่มันเป็นบาปผุ้นดให้มันหมดไปไม่ใช่ไปทำพิธีอื่นอ้อนวอน บ, อนบงวงสรวงเสียเขะดอโชคบอกเกิงๆอย่างนี้บางคนก็ยังมาขอนังมอนจากหลวงตาขอฝ่ายผูกแขนบอกการปฏิบัติเขาไม่เอาเขาจะเอาของปลอมๆไม่อยากได้ของจริง อ่าแจกเหรียญแจกตัวความลามเทพเขชอบใหญ่ถ้าแจกธรรมะจะงไงไม่ชอบอเพราะก่นลงมันมันหลงอยู่ว่าจึงบอกกันยนังไงว่านี่คือปฏิบัติธรรมนี้ปฏิบัติธรรมนี้ทาละความชั่วด้วยกายด้วยใจของเราทํำความดีด้วยกายด้วยใจของเราเราไปเชื่อใครถ้าเราไม่เชื่อตัวเองเราจะให้ใครมาทําช่วยกายเราเขาจะให้ใครมาช่วยใจเรา เราต้องช่วยตัวเองพราะพพุทธเจ้าสอนคนดีช่วยตัวเองถ้าใครไม่ช่วยวเองพระพุทเจ้าไม่สอนปอดทิ่งเทวทัตอะไรนางกิจจมายีกาอะไรแผ่เดินสูบไปหมดเลยคือเขาไม่ช่วยตัวเราต้องช่วยตัวเอง